วิปัสนาคือพิจารณาให้เกิดปัญญาข้อนี้หมายความว่าอย่างไรอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาแล้วเอาความรู้มาให้เราหมดม่ได้ไบ ป, ปรุงแต่งมันลาบยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันมาเองเรามีความสงบมีปัญญาสนุกเฟ้นสนุกเลือกเอาใครจะว่าดีว่าชั่วว่าร้ายว่าโนนว่านี่ สุขทุกข์ต่างๆนานาเป็นต้นล้วนแต่เป็นกำไรของเราหมดเรามีคนขึ้นขย่าให้มะม่วงหล่นลงมาเราก็สนุกเก็บเอาไม่กลัวจะกลัวทำไมมีคนขึ้นขย่าวลงมาให้เราลาบก็ดียศก็ดีสรนเสรนินทาสุขทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เปรียบเหมือนมะม่วงหล่นลงมาหาเราเราเอาความสงบมาพิจารณาเก็บเอา เรารู้จักแล้วลูกไหนดีลูกไหนเน่าเมื่อเริ่มพิจารณาสิ่งเหล่านี้อาการที่พิจารณาออกจากความสงบเหล่านี้แหละเรียกว่าปัญญาเป็นวิปัสนาไม่ได้แต่งมันหรอกวิปัสนานี้ถ้ามีปัญญามันเป็นของมันเองไม่ต้องไปตั้งชื่อมันถ้ามันรู้แจ้งน้อยก็เรียกว่าวิปัสนาน้อยถ้ามันรู้อีกขนาดหนึ่ง ก็เรียกว่าวิปัสสนากลางถ้ามันรู้ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าวิปัสสนาถึงที่สุดเรื่องวิปัสสนานี้อัตมาเรียกปัญญาการไปทำวิปัสสนาจะทำเอาเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นทำได้ยากมันต้องเดินมาจากความสงบเรื่องมันเป็นเองทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเราจะไปบังคับ